อสั้นข้างล่างโตข้างบนแม่เนี่ว่าคนไหกว่าคนยังเขียนมาถามปัญหานะให้ใช้ข้อความสั้นๆตัวโตๆนะให้สั้นโตสั้นโตก็ยั้ไปอลืูไปคาบลูกคาบดอกนะสั้นสั้นสั้นโตมันมาจากสันโตเอามีบารีรับรองเลยเลยสั้นโตแปลขวานแปลอะไรนะขวานขอขวานเหรอ สันโตโซติงติตติโนดบ้าลายยนชูเจ้าสุวรรณรีแก่ขึ้นแต่บาลีออน้ามูตัดสะเพว่าโตว่าว่าจบใช่ไหมครับครับโซเสันสันโตโซติงติตติโนดบ้าตีแล้วตัดแย่ไหสันโตขวานโอขวานโซติงสิงโตเอาลไอติตติเดินภาสาบลีตั้งอยู่ โมดว่าหน้าโบดอ้โโอ้ตะแพรแล้วก็ไอ้สิงโตตั้งอยู่หน้าโบดโอ้โอ้นักเทศรุ่นเก่าอย่างนี้ก็มีนะโอ้เทศสนุกกรยันชูเทสนุกมากโอ้อ๋อไปเทศกันใหม่ๆแเกรงใจฉันนะมิจเจจีแรกกินไหมทราบทเกรงใจถ้าเคไม่ค่อยออกท่าเอเทศไปตั้งสิบนาทีช่างเลยเอาท่าออกก่อน แกเห็นถ้าดีเอามั่งถุโอ้ย่าโยมหัว้องมาเยี่ยมราตโอ้โหโอ้แต่เดี๋ยวนี้ยังมีมรณภาพอยู่รึเปล่าครับยังอมีมีมีมรดภาพแล้วน้อยแน่จะจะถามว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไมลุกนี่แหละนี่แหละนี่คนเป็นเพี้ยนแบบเนี้ยนอย่างนี้เพี้ยน ที่ก็เห็นครับเป็นพระเมื่อกี้ไม่พินหรอกโอหลวงพ่อแปลอันว่ามาสมัยหนุ่มๆไปทั้งแค่ในแหม่เจอมาหลายๆแบบนะโอ้สู้รูปแบบเลยโือเพราะอย่างนี้งพระอิสานหนักหนักเท่าไหน่หอพรอิสานก็ถือแพชชนะโอ้โหมันไล่กันเป็นตับๆเลยนะครับครับแชปเทศครั้งแรกก็มีรู้สิษย์ก็บอกว่าเขาต้องสามองค์ลงอาจารย์จะสู้เข้าไวหรือออเก็ถามว่าทําไมแหละถ้าแพชชนะกันก็บอกมันไม่แปลกนี่ แพ้หรือชนะลงมาได้เท่ากันโอ้จริงนะจริงนะถ้ามันเทศมากมันเหนื่อยมากโอ้ไ oh. ม่อเป็นรามันแพ้ถ้าเราเทศมากเราแพ้ออพอขึ้นไปยิงไปร้านสันปะัปะปะับปับหมดสามองค์นั่นเหรอสามองค์อา้าวหลวงพ่อใช้กลมัดเด็ดพายยังไงก็เทศธรรมดาธรรมดาขึ้นันที่แรกบอกว่าวันนี้เราเป็นพระนะเขาดิมนมาเทศตั้งกิเลส ถ้าใครต้องการอภ ah ัยนะอย่าตั้งนามนะถ้าผมไม่ดีจริงไม่มาพ่ะอิสานถ้าไม่แน่จริงไม่มาอิสานแล้ที่กรุงเทพปราบมาเรียบแล้วพิพากษสๆายมันเหลือพระอิสานพราเดียวประเทศไทยเนี่ยโอ้ีหไปขึ้นนามูสั่นแง่เลยไอ้กีหมาโดนกูหน่อยเดียว แต่สมัยก่อนเสียงฉันดังมากกว่านี้ไม่จะเสียงอย่างนี้นะโอ้โหคุณถ้าทางอาหารโอ้โหนไปเราไม่หงอใครไม่มีทางหงอเทปเด็กเล็กๆท่นขู่แค่นะใบลานป๊าป๊าปเลยนะต้นก็ป๊าป๊าป๊าาอถามไปปั๊บเหงื่อแตกพลักตอบไปได้อเราแพ้สมัยอ่ะต้องเทปคนเดียว พี่โดลงมาที่คนสองร้อยก็สั่งคนสอบเท่ากันโอ้โห่นี้เขาแย้แพ้ไอ้ระยำแหมท่านท่านท่านคงจะนึกในใจว่าโอ้จริงๆนะปราบกรุงเทพไปจริงจริงไมไม่แน่จริงไม่ไปบอกภาคทุกภาคแต่ว่ามาหมดแล้วเหลือภาคอีสานเท่าเดียวโอ้กำลังจะมาปราบภาคอีสานเนี่ยก็เอินเข้ามานิมนต์หลายองค์ไม่มีใครรับ ออกเขากลัวกันไง น, นักเทศที่มีชื่อนะอมีชื่อเสียงสมัยนั้นฝากให้มนฉันเอาเรื่องเล็กๆลับๆับที่จะสู้ได้หรือไม่ได้ไมันรู้ให้มันรู้ว่าแพ้สักทีเตศไม่เคยแพ้ใครนี่โออ้มันได้เท่ากันนี่หว่าไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้<ม>ได้เท่ากันเรื่องอะไรไป ก, กลัวกันครับครบครับก็ยังมั่นคงเหมือนเขาสายนะไม่เคยแพ้ใครเลย แล้วก็ไปที่สุพรรณอีกทีครับไปยังไงครับพ่อที่สุพรรเทศสามองค์ใช่ไหมพอถึงนั่งปั๊บอีกสององค์เจ้าของถิ่นมามันไม่มารวมกับเราอ่ามันนั่งแยกเชื่อภาพชักโมโหครับพอขึ้พอขึ้นเทศจริงๆแล้วเราก็เวลาฉันข้าวเจื่ภาพมาวางรวมกันบอกเขาไม่มาแดกกันจังเลยเชื่ภาพโมโหได้ใช่ไหมขวาครัเนเขาตั้งใจเอาจริงๆเหมือนบอกพนักเทศกรุงเทพไปมีชื่อดีนั้นมากเขาจะเขินละ โอ้เมื่อเวลาแข่งข้าวาถามว่าวันนี้เทศแจงขครจรับหน้าที่อะไรว่าอะไรก็ได้นมเน่ยมันเบิน<อ>ีอ่องค์อะไรก็ได้ถอในใานึกไอ้สองคนวันนี้ไม่ถึงห้าหนาทีาว่าเอาแน่องเอาแน่นะ บ, บอกองค์นี้มีอุโสมากว่านาทีมหากระจศนะผมมนสงรองมาว่านาทีอนนนนเรื่องไ้ง เ, งเกินมีใน องนี้เอาไม่ใช่บัลลีนะบาลีอุบาลลีองนี้เอาโซนน้อยว่าอานนใช่ไหอพอขึ้นไปเราว่าอาอนนท์เขว่ารองอารามงโหสใช่ไับเพราะว่าว่าไปแล้วก็ฟังไอ้มันว่าเรียบร้อยดีมากร<อ>ู้สึกว่าเป็นนัะเทศคั้นดีเลยครับเขาก็ศบเดินเดินเรื่องใช่ไหมพอเดินเรื่องปับ๊บพอจะเข้าเรื่องบอกเดี๋ยวก่อนหยุดก่อน ญาติโยมฟังเทศแจงมานานแล้วยังไม่ทราบหารก็ส่พ่อแม่ชื่อไรตอบไปทราบหายท้องพึ่งเลยเงียบชีไอ้ก็ว่าเด็กก็ส่งไม่ตอบใช่ไหันหานหาโนนอนนเรลานตีแบบเสร็จเทศองค์เดียวอีกแค่ตีหัวทีเดียวคหลบเป็นสององค์โอ้ยางงี้พ่อก็ไปที่ไหนก็ไ่ได้สบายเลยนะ เปราถ้าเขาเรียบร้อ ย, ยแต่กเทเรียบร้อยถ้ามันเบ่งนะถ้าเบ่งอะไรก็มานอันนัอ้ถ้าเบ่งมาลกพ่อก็เบ่งไป น, นะเอาแน่โอ้ขนาดท้องผูกจังไหว น, <laughs> นะ <laughs> เอาลูกพ่อโอ้โห <laughs> วันนี้ดีนะ <laughs> ผมเกรงใจเห็นลูกพ่อสบาย <laughs> จะฮาชุมแลยจะาชุมเลยไ <laughs> <laughs> อยากจะเอาไวท้ทายอีกสองวันวันนี้อตอนต้นที่จะไม่ไหวตาเมี่ยีเนี่ยตอนขึ้นต้นโอนัอ่นเครียดลมขึ้นออตอนนี้จะกามโยร้องอะไรมันจะคลายตัวครับได้ตังค์ครับอ่เวลาขวัญล้านหนึ่งลงบัญชีไปนี่อย่าล้านสะตังค์เลยเข้าใจแกเอาละครับก็เป็นอันว่าเอวังกิมไม่นิ่ม้าง อ่าทีนี้ก่อนจบรายการอมรเดชประกาศประกาศเรียบร้อยนะทีนี้ก็สวดสวดสวอ่าต่อนนไปขอเชิญชวนพุทธบริไม่ไม่เล็ก<อ>นงพ่อบึ๊บเลยนะเล็กอ๋อเล็กเล็กนิดเดียว <c oughs> ใหญ่มากอ๋ออ่าพ่อเขาไปอยู่ในเขตเขาไปอินโอ้โหจ้าไ อ, อินท่านถามว่าเองทำไมไม่ตั้งใจไปนิพพาน<อ>ถ้าบ่อยตอนนั้นผมเผลอครับ นึกอยากจะอยู่ก ร, ระเขตนั้นไปอินอเดียแต่ความจริงสิทธิไปได้นะใ<ช>สิทธิไปได้นี่ก็ต้องรอพระศรีอานอยิบประเดี๋ยวเดียวไม่ยี่ปีเท่ากี่ปีก็ับหลวงพ่ อ, อดาวเรืองเขาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาก็อยู่ดาวเรืองไม่ถึงสามร้อยปีอายุดาวเรืองก็พันปีทิพย์ไม่ถึงสามร้อยปีพระศรีอานเขาจัดแล้ว ถ้าเป็นเนวดายมีความทุกข์อะไรมีแต่ความสุขท่พูดถูกพระที่อ่านจะลงมาตัดตะลุในเมืองรู้จะคิดเป็นปีมนุษย์เท่าไหร่น้องพ่ออีกล้านปีจะเสร็จเอ้ยคุณยกคอยไม่ไหวแล้วครับงพ่ อ, อ, อ <c oughs> ฉันว่าฉันจะอยู่คอยนะไหวแล้วถ้ า, ถายกทรงไม่ตายฉันก็ไม่ยอมเ อ, อเอ้ยไอผมไม่ต้องถูหวยก่อนนั่นจะอยู่ได้หน่อะไรตัวนี้ตอนนี้ก็อุทิศนะอุทิศนากประวัตินะ ไปซะแหม่ซะดายีนิง้งนองเก่งๆไม่น่าตายเลยตอนนี้ไปทุกคนตั้งใจจะส่งผลรยรวยรๆยลูกเดียวรว ย, วยจ้ความจริงที่เขียนแนะนำแพร่ดีนะขอต่อวายไปสังกฐานอนที่ผานชาตินี้ลูกค่องตัวทุวกอย่างแจ๋อรวยรวยๆวจ้า อ้าวไรใหญ่มาเลยเอาเลยลงเลยเราลดนิดเดีนอนึ่งบางบาง่อจ้เอาลเลยเอาของกล้าวมาเยี่ยมก่อนหนจ้าอนี้มาผลูมาเพิ่อีกย่สิบบาทโมทนาเอาผลูมาเพื่อีกยี่สิบบาทโมทนาอ้าวรวยรยอใโชคดีมีตัวหนจ้า เอารวยมากมากรกเอ้ยโชคดีมีถูกนะเอารวยเลยนะจ๊ะเมื่อตอนบรรยายการเจริญพระกรรมฐานหลวงพ่อได้พูดว่าสุปฏิสุปฏิฐาอะไรเทพพระบูตรได้ฟังอุณหิตวิชัยสูตรได้บรรลุเป็นประโสดาบัน ขอเรียนถามนิดเดียวว่าใจความย่อๆพอที่จะชี้แนะให้ลูกหลานเพื่อจะได้บรรลุ ก, กันในวันนี้มีบ้างไหมขอรับจำไม่ได้โอ้โหถามเดี๋ยว <c oughs> ตอบตอบก็อร่อยเลยนะก็พูดไปไรประโยชน์มามาอ๋อไม่เกี่ยวกับธรรมของสำหรับญาติโยมใช่ใช่ไม่<อ>ไมเกี่ยวเลยไอที่บอกไปแล้วนะควรทำดํานั้นนะเอาแค่โสดาบันดีกว่านะ ถึงไม่ถึงว่าโสดาบังกพุธธามรมสติที่แนะนำไปแล้วแต่จำให้มันได้ออแค่นี้ก็เหลือกินแล้วนะใช่ใช่ใลาบลาบเท้าหลวงพ่อเจ้าขาความจริงมาจากต่างจังหวัดจะรีบกลับคืนนี้เรียนถามด้วยความเกรงใจว่านางสมจิตคำเค็นที่ถูกไฟช็อตตายเมื่อยี่แปดพคสามสาม สามีญาติสามีจะเอาศพไปตั้งก็จะหากินญาติผู้หญิงว่าจะเอาศพไปตั้งด้วยความรักแย่งกันไปแย่งกันมาไม่รู้วิญญาณแกจะพลอยกระดักกระเดิดไปเกิดได้หรือไม่แสดงว่าศพที่มีเสน่ห์นะไอ้แย่งกันไปแย่งกันมานี่หรอ้ามันจะแย่งกันหรือโอวิญญาณไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวกับ ก, กันทร์ายานถ้าตายปุ๊บแล้วไปสวรรค์ก็ไปเลยเป็นรกก็ไปเลยไม่เกี่ยวับร่างกายโอ้ตัดช่องไปเลยนะแค่ลาบหลวงพ่อเจ้าขาอิฉันซึ่งในพระคุณที่นายอภรรภูมิรัฐได้อาลูกชายไปเลี้ยงเป็นบททุนธรรมบัดนี้แกก็มรณาภาพตายไปเรียบร้อยแล้วอิฉันไม่สงสัยแต่มาสงสัยว่า ถ้าเราที่ส่วนกุศลด้วยการเจาะจงเฉพาะคนเดียวอย่างนี้โอกาสที่จะมีได้ถึงกี่เปอร์เซนขอรับอันนี้ตอบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะตอบว่าถ้าเขาโมทนาได้เขาก็ได้โมทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าการรับได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคำว่าโมทน า, นาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ นี่ถ้าอยากรู้ว่าโมทนาไม่โมทนาก็ต้องไปพุกมโนโมยิทิหรืออย<ช>่ยางแปดเอออย่างงั้นนะฝุกยานแปดไปพบกันได้เลยข อ, ององ่ายๆว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรก็ว่ากันไปได้เลยนะใช่ใช่ใช่<อ>ไม่ต้องไปตั้งถามกันแหมยานแปดเป็าานงพี่เข้าฌาจริงๆนะยังมีย่อนแปอีกนะนะแล้วครับมียานแปดแล้วก็มีย่อนแปดโอ้ยานคู่ก็ยอนเลยใช่ครับคำว่าย่อนหมายืึงไม่ไม่ครบแปด โอ้เพิ่งเจอพระตายวิดกเล่มใหม่ยายฝันเนี่ยจำไม่ได้มันย่อนแปดอ่าย่อนแปดนะฮะมันจำได้ไมันครบแปดครับครับกราบท้าหลวงพ่อที่สุดบูชาของลกูกคือว่าลูกได้อถวายน้ำใส่แก้วบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำเมื่อไหวแล้วก็เอามาดื่ม มาดื่มแล้วก็เป็นันว่าหมดปิดฝาครอบไปคิดว่าลุ่งขึ้นจะล้างให้สะอาด จ, จะนำถวายในวันต่อไปไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรมีเมล็ดข้าวสารมาปรากฏโอ้สว ย, ยจริงๆขาวจั๊วเลยเป็นเงาด้วยไม่รู้ว่ามาจากไหนจะเป็นในมิตรร้ายดีประการใดขอหลวงพ่อโดยโปรดเมตตาช <สา S 2> ี้แจง้วยเถิดเจา้าค่ะ เ, เก็บวัตถชาให้ดีนะโอ้วยนะจ๊ะเอาอย่างนั้นก็ไม่ใช่ข้าวสารหรือสิ่งนี้ ก็ไป่รู้อ่ะหาเขาหาก็สายนี่ความจริงไม่ใช่พวกนี้อย่างนี้เขาเรียกตาถั่วนะไม่ใช่อ้าวแล้วตาอะไรของพอ่อตาเปลือกหนักเข้าไปอีก <c oughs> ตาใหญ่สักเปล่าแต่มองไม่รู้เรื่องแค่ตาเปลือกนะใช่ไม่งั้นจะตาสับปะรดตาสับปะรดมากเกินไปแล้วไม่ได้เรื่องเลยแค<ด>่ลดเลื่อยเปื่อยนะเอาเก็บผู้ชาไว้ดีนะถ้าไม่แน่ใจก็มาให้ยกส่งชอบนัก หลงพ่อเจ้าขาลูกชาวบ้านเขาอยู่เจ้าของเขาเป็นอิสลามเขามีศาลเจ้าพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าพ่อหนูอยู่ข้างบนแต่ลูกอยู่ข้างล่างลูกเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามอยู่บนเครื่องรางของขรังต่างๆพระพุทธรูปต่างๆที่ลูกเอาไปบูชาอยู่ใต้ถุนไม่ทราบว่าพุทธศาสนาเราจะกระทบกระเทือนหรือเปล่าที่ให้อิสลามอยู่ข้างบนพุทธอยู่ข้างล่างไม่มีคําว่าเสื่อมจ้า ไม่เสื่อมหรอกครับหลวงพ่อไม่มีทางเสื่อมเอ็ดอยู่บนพุทธอยู่ล่างนี่ไม่เป็นไรหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเลยนะจ๊ะอแสดงว่าพุทธนี่ไม่ถือสานะถือถือถือยังไงครับหลวงพ่อครับถือช้อนเลยเยยจ้ะอ้ามเอ้ยเยลเยครับโอ้โหถ้าแม่จำเนียนว่าคำว่าเสื่อมไม่มีอยู่ที่จิตใจเราอย่างเดียวครับอ ถ้าใจเราเคารพอยู่ที่ไหนก็ได้แม้แต่จะลอดลาวผ้าลาวอะไรต่อเรื่องเล็กๆ ล, กลาวผ้าอย่าสมัยฉันเป็นเด็กนะลาวสับเป็นยังไงหลวงพ่อเด็กเด็กเด็กอายๆๆาุสิบแปดอายุหลายหลวงพ่อสิบแปดอ๋อใช่ใช่ใชารวาสจะไม่เป็นไรนกินนั่นขีดออกจะดีกว่าขีดออกนะตอนนั้นมีคนรุ่นพี่ยังคนชื่อปานไม่ใช่หลวงพ่อปานนะ ออ่โออแกแกเป็นนักเกรับแต่ ว, ว่าเป็นนักเกรงที่จะบ้านรักมากออถ้าบั่นไหน้ควายหายของหายวิ่ปานช่วยตามเล ย, ยๆแ จ, จออ้งเลยๆแจ้งนะตราบตแต่ ว, ว่าวันหนึ่งแกเดินมาทุระที่บ้านฉันนะแล้วกลับไปตอนดึกเกิดอยากกินน้ําขึา้นมาไปไปงานนะกูไปเข้าไปใกล้ไล่ไล่ไลไอ้อยเจ๊กใช่ไหมครับก็ไปตัดเอาอ้อยมาลํากิน พอดีแจ็คคิดนั่นน่ะไอ้ร้านไอ้ไล่นั่นมาของหายทุกคืนหายมากมากแล้วก็ซุ่มอยู่กอดีบพอพี่ปานไปเอาเข้าวเขาเขาก็ร ว, วิ่งออกมาจับพอจับก็จับนอนหงายมัดฟันบ้างแทงบ้างแกภาวนาพุทโธโอ้โไม่ยอมเข้าป้าเมียมานั่งค้อมหัวก็ไม่ยอมเข้า oh. อ่ะก็มีประจำเดือนมาฟาดหัวแทงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าฟันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเห็นไหม อยู่ที่ใจตัวเดียวตอนนี้แจ็คมันก็คิดว่าทำไงไม่เข้าก็ต้องเอาไฟจี้ให้ตายรบรพอจุดคบเพลิงมาเห็นหน้าผีปลาแจ็คมืออ่อนตีนอ่อนเลยทำไมต้อง่าเันเกงใหญ่ที่อผมไม่ใช่ปาธรรมดาใช่ไหใช่น่ก็เพรานาพุทโธอย่างเดียวนะกราบค ก็เป็นราะว่าอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวถ้าจิตใจเราเขาไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็ขอให้มันคงในพุทโธต้องก้อเจ้าขาอีกท่นได้ยินมาว่าอย่างนี้ว่าการปล่อยเต่าอายุจะยืนปล่อยปลาเป็นการส่อยโยุปล่อยนกเป็นการสตอดเพราะมีท่านหนึ่งเขามาบอกว่าชีวิตเราต้องคืนขมเพราะหัวอะไรยำว่างเพราะมีอะไรเย็มมั่งเขาบอกว่าถ้าปล่อยหอยขมเนี่ยชีวิตมันจะสดชื่นความขมมันจะหมดไป ไม่ทราบว่าการปล่อยหอยผมเนี่ความผมจะหายไปและอนิสงส์จะเป็นประการใดเอานี้นะใครยังไงดีครับหลวงพ่อครับเป็นเล่าทิทานให้ฟังตามรูสูตรใช่ไหมโอ้โ ห, โหได้เรื่อนเลยวันนี้ไปนั่งอยู่ที่ใกล้ข้างาพระจุลามณีครบับพอพระศรีอ่านมาเทว ด, ดากลุ่มหนึ่งนั่งฟ้ากลุ่มหนึ่งน่งชุดสีแดงกลุ่มหนึ่งนั่งชุดสีเขียว กลมหนึ่งตง้องชุดชีเหลืองกรมหนึ่งชุดชีขาวเป็นสีส่กลมมีกลุ่มด้วยกันคนระก็เลยถามพระที่อ่านว่าใบวัยของท่านทาไมแต่งตัวไม่เสมอกันท่านเป็นพระโพธิสัตว์กำนังหนักจะเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่บอกว่าเันเรื่องของเขาในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์เขานิยมสีแดงเขาก็ต้องมีเครื่องทิพย์เป็นพื้นสีแดงยมสีเขียวพืชที่เขียวแต่นี่จะแปลเฮ้ยขมนะท่ า, ทานหน้าคืนขมใหญ่โโอห โอ้โหโอ้โ อ, อ, อะไรทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นใช่ใช่โอยงี่เรปูกกรเบื้องซะดีกว่ า, าวกระเบื้องเรเียบร้อยกว่าสวยด้วยมึงก็พระเจ้าเกิดชาติหน้าพวกนั่งทับเบนทัตแต่ไม่ใช่กันนะอไม่ใช่พื้นสวยพื้นเป็นเพชรโอ้ โ, อโหโอยลงเท้าเธอเป็นเพชรหมดอก็เดินไปไม่ต้องกลัวกลับบ้านไม่ได้ทําไมครับเพราะไม่มีสตางค์ปักรองท้าจํำนำอ๋อเพมาะมันเป็นเพชรใช่ไหมใช่ใช่ แค่แกะเม e <ช>็ดเดียวก็เอาตัวรอดได้นะใชใช่อ้โกราบครับกลาบเท้าหล ว, ว, วงพ่อที่เคารพอย่างสูงคือว่าลูกอยากจะเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์สักเล็กน้อยว่าวิธีที่จะกรบาบพระให้ถูกต้องตามแบบฉบับด้วยอาจจะมีพราอานิสงส์มากๆนั้นจะต้องกราบแบบไหนขอแบบฉบับวระคาทรง์เป็นไต้เต้นตัวอย่างด้วยเจ้าค่ะให้กราบด้วยความเคารพอย่างเดียวพอ โ oh. ถ้าจิตเคารพนะอยู่ที่จิตตัวเดียวก่อนที่จะกราบพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพทุกขกรกราบกราบก่อนอทั้งที่สองกราบประทับนึกถึงอดอกมะลิแก้วใหนหลายาอย่าอดพระพุทธเจ้าลงหัวเราโอกราบครั้งที่สามนึกถึงพระสงค์องค์ใดองค์นหนึ่งที่เราเคารพกราบพ <ขอ S 2> ่อโอ้โหอะไรพ่อโอ้เดี๋ยวเรียพ่อได้ภาษาเจนิกอีกภาษาหนึ่หรอเรียนเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครพูด อ๋อโอ้อต้องกราบแบบนี้นะใช่ในั้นแหะพอส่วนพิธีกรรมก็ไป ท, <น>ท่าไหนเรากราบเยอะกราบครับจะเอาใจสําคัญอกราบด้วยเป็นจงางเพราะดิจิตใจไม่ครบไม่มีความหมายโอ้กราบกราบแต่ถ้ากราบแบบที่เบรดโอ้เห็นแล้วน่ากลัวนะโอ้อยดีมากอย่างนั้นดีแล้วครับหลวงพ่อมีพวก <laughs> ท่าใช่ยังไงหลวงพ่อทีเบรดเนี่ยเป็นพวกท่าไปเกิดน่งคืบหมด อ๋อมันยาวคืบไปเลยกันแล้โอ้โหหล่อทั้งตัวเลยแม้กระดานมันมันเพล็กลอบไอ้ขอบพระพุทธองคพุะตกยาใช่ไหมกลับกลับแหมมันคืบมารอบไปเย็นดูว่าเราสู้ไม่ได้ศรัทธาหน้าดูจริงใช่ครับก็บอกก็มาจากที่เบตนั้นก็คืบมานะ่ะมารูปนั้นน่ะอ๋อเก่งน่ะแหมศรัทธาเข้มข้นจริงจริงเลยครับหลวงพ่อคะ ลูกคล้องใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะเวรกรรมอะไรชอบมีตัวอะไรเล็กๆจะเป็นมดเป็นลายอะไรก็ไม่ทราบชอบกัดในร่มผ้าของลูกอยู่เสมอลูกก็ไม่เจตนาจะทําร้ายหรอกเพราะโลัวศินของเอสินข้อที่หนึ่งจะขาดเวลาจะเอายาทาลูกก็วภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ทาไปปรากฏว่าหายเงียบไปหมดก็มานึกถึงว่าเอาสินเราจะขาดหรือเปล่าเอสินเราก็ภาวนาพุทโธนี่ เอเรนถามหลวงพ่อว่าภาวนาพุทโธและอายาธาไปตรงนั้นน่ะสินจะขาดจริงหรือเปล่าจ้ะขาไม่เลยไม่ถูกสัตวนี่มันทากันโอ๋ทากันโอ้ยัม่ทากันนะรอดไปได้นะครับกราบธรรมสการหลวงพ่อที่กรลบจริงคุณแม่คนที่ฉันอายุ86ปีท่านเป็นโรคความจําเสื่อมอะไรก็จําไม่ได้จําได้อย่างเดียวคือว่าหลานสาวที่พิการอยู่ท่านมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก ลูกก็คิดว่าเมื่อท่านมีอายุอย่างนี้เกิดตายไปอาจจะเป็นตัวลายตัวเลนมาเกาะอยู่ที่หลานก็เลยอยากจะหาวิธีช่วยสงเคราะห์ท่านว่าเราจะมีทางสงเคราะห์อย่างไรตอนเป็นเป็นเผื่อเมื่อตายแล้วท่านจะได้ไปสู่สุคติพบเจ้าขาให้เอางี้จิ ย, ยังไงครับหลวงพ่อเจ้าขาไม่รู้จักถวายสังฆทานโอเวลาที่เราจะถวายสังฆทานขอตังค์นบัตรสองหลก็ได้ ให้มีส่วนร่วมในสังฆทานนะ oh. าากเก็ oh. จักไหว้พระพุทธรูปเป็นึักบุญพระไว้เสมอเสมอครบับครนบกระด้าเท้าหลวงพ่อที่ก็รบเออที่ก็ทรงสองเคราะหนะ์นั้นมันจุดหมายลูกหลานะก็หนักใจมาก็ว่ากันไปกรรมฐานถามไม่ค่อยมีเลยนะไมีแต่เรื่องส่วนตัวอ่ะว่ามาแล้วก็ว่าไปคือว่าที่หลวง พ, อพ่อผู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมข้ามหมูว่าจะต้อง สร้างพระพุทธรูปยี่สิบนิ้วเป็นการถวายนั้นนะ่ะถ้าสมมุติว่าลูกจะถวายสังฆทานที่ซอยสายลมชุดหน่วยสิบร้อยพันชุดละสองพันบาทาจะ็นการาแก้ตามที่หลวงพ่อเคยกล่าวว่าค่าหมูได้หรือเปล่าถามได้รอบลงมาเนี่ยแหละเมื่อก่อนเขาถามแล้วนะแต่เจา้านี้พวงมาใหม่วันนี้เองมาใหม่เลยครขอค่าจำเนียมตอบอ๋อ ถ้าอันไหนรีวายใหม่ต้องต้องต้องมีมคา่าจำเนียมอ๋อครับคเพราะฉะนั้นลงุงท่านตอบว่าใช้ได้หน้าตากี่สิบนี่เราก็ใช้ได้โอเพราะเอาหน้าตักเป<อ><อ>็นเงินแล้วเานั้นลงุงท่ด้ตอบอย่างนั้นโอ้ฉันยืนยันตรงนี้เลย<อ>ใช่ไหมใช่โอ้คือว่าแบบลูกหลานบางคนมากางวันฟังกังวันบางคนมากังคืนฟังกังคืนนะ่ะอาเป็นนั้นว่าต้องเสียค่ายกครูอีกเท่าไหร่นะไม่ตอบไม่ตองนะเดี๋ยวเล่นหวยแ ยกทรงจะาศัเทักหน่อยเนี่ยแฮรู้ทันครับทุกอย่างเลยอ่าหลวงพ่อก็รับแล้วผมนี่รู้สึกประหลาดใจว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ดีเวลาเจริญพระกรรมฐานก็ดีจะปรากฏว่าจะมีเสียงค่อยๆสัตว์มาร้องบ้างมาส่งเสียงบ้างเมื่อเปิดพระหน้าต่างดูก็ปรากฏว่าไม่เห็นเลยแต่ตอนนั้นนะอารมณ์ของโกสบายมากก็เลยอยากะกลบเรียนถามหลวงพ่อว่า เมื่อได้ยินเสียงในลักษณะเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรกับเสียงเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขาสาหากวามร<ก>ูทำให้เสียงเหมือนเขาที่ได้คุยกันได้โอ้เขากรู้มาก็กรู้ไปกงุ่งมาก็หุ่งไปแห่มาแหาน <c oughs> ่ไปเลี้ยงเจิดเกิดเป็นของธรรมดาจะสนใจอะไรสั์ ถ้าหากว่าเวลานั้นถ้าเราไม่จำคาญในเสียงภาวนาอยู่แบบสบายๆใช่ไห ม, ม, มถ้าขนาดนั้นจิตเป็นปฐมฌาน<อ>เรื่องห้ามเสียงแล้วอย่าไปคิดห้ามต้องปล่อยไปตามเรของธรรมดาก<อ>็าจะดูดีเกเ ะ, ะกันก็จะดูตะครกันก็จะดูตระทัดวิทยุกันก็จะคุยกันเรื่องของเขาอเรื่องภาวนาพิจารณาเป็นเรื่องของเราต้องแบ่ง เอ่านซื้อตั้งแต่เล่น14ถึงเล่น16จะรู้เรื่องนี้กลับกลับกับของเขาก็เป็นของเขาใช่เจ้าเป็นของเรานี่หลวงพ่อเราก็ไม่เกี่ยวด้วยเพราะเรเพราะเราเจ้าไม่ต้องเกี่ยวอต้องให้ก็แล้วกันต้องเกี่ยวข้อทำไมเรื่องนี้โอ้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ไม่ต้อาต้องให้ก็แล้วกันหมดเรื่องของเราหายากนะวัดนี้ก็มีนะหลวงพ่อเขาลับ เมื่อคืนลุงพ่อพูดอูอ้ยตอนจบรายการคนกลับบ้านกันเยอะแล้วว่าขาหมูต้มยำใส่ผักบุ้งอะไรพระที่จะมาเดี๋ยวขอขอรายละเอียดอีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วระวังแล้วชอบรถแบบไหนพระสามองค์ที่จะมาแน่ชอบรถอะไรเช่ไหมชอบชอบรถอีแคนโอโอโอโประหยัดสะดวกประกอบง่ายง่ายนะ คื อ, ค, อคืออยากได้หลวอพ่อทบนิดฐ์นันิษฐ์ว่างานประจำปีมีนาปีหน้านะพศปีนี้อะไรสามสารใชตอนจริงท่านก็มากันเรื่อยๆนะออสององค์นะ่้าทีก็มาเป็นเนนบ้างเป็นพระนมบ้างเป็นพระแก่บ้างามาตั้งปุ่นพระคันธุกะ อ, อ, อันนี้สามองค์ท่านจะมาเป็นกรีพิเศษใหญ่มาก พระมหารกรสบพระบุกันลาพระธบินโดกรัตวาชาสามองค์เลยนะปีหน้าเนี่ยครับใช่อ่าที่ที่ว่ามาเนี่ยหมายถึงว่ามาในสภาพอามาในสภาพพระเนื้อจะนั่งปนกับบรรดาพระอคันดกะโอ้โหแล้วก็บอกว่าขอให้ต้มขาหมูกับผักบุ้งในแบบต้มยำครับคัฉันลองแล้ว เป็นไงปรากฏผลไหมครับปรากฏผลว่ากินหมูอร่อยก็วิ่งมาได้กินนี่ยองั้นพระพุธก็ใส่ไปไตเติ้ลท่านนั่นเองนะอาจจะมีสั ญ, ญลักษณ์ของท่านคสาธอทีนี้หลวงพ่อพอจะบอกเทคนิคได้ไหมว่าเอพระคงจะมีหลายองค์จะจะสังเกตได้อย่างไงว่าองค์นี้เป็นองค์นั่นโมกคนนั้นอะไรก็ไม่ยากหลวงพ่อมีข้อสังเกตอย่างไรให้ทิพยานถามพระพุทธเจ้าตรงหยอดปลายเลย เลยรวยจ้าลูกวางลูกเอ้ยรตยมากมาเด็ดซิโอ้นี่แสดงว่าปีหน้าผมว่าหลุงพ่อจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ครถ้าข้ามมาอย่างนี้ก็อ๋อเดี๋ยปกติถ้าหากว่ามาแบบกายทริปนี่ถ้าก็ทริปก็แท่งประมาณเนื้อถ้ากระมาเนี่ยออ๋แต่ว่าจะมาปนเฉพาะคอนโดกาสเพราะคอนโดนั่งข้างล่างใช่ไหมกราบกราบจะนปแบบนั้นเด็เรียนถามว่าที่ว่าคอนโอกาสฉันนี้ฉันตรงไหนจะได้หาที่ไปตรวจสอบได้ใช่ ปกติที่วัดถ้าสูงในพระ อ, อาคารลูกกาฉันไหญ่ที่สามไล่หรือว่าฉันก็ต้องถามคนเลี้ยงเขาอ๋อถ้าพระมีมนมามากกราบอาคารลูกกา ก, ก็อาจจะสันที่อื่นอ๋อถ้าพระมีมนมีไม่มากนกะถ้าอาคารลูกกา่น้อยพอบางที่ที่สองไล่ได้ก็ฉันสองไร่อ๋อ อย่างนี้ก็ต้องไปว่าตะเวนสองไร่สามไร่สิบสองไล่สี่ไล่เขาว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเดินหาพระสามองค์นะพระเคยไปเคยมาเลยเที่ยงอดแดกเลยปวดหานั่นน่ะสิโอ้ยฟังแล้วตื่นเต้นโอ้โหนี่แหละครับก็จีิงท่านมาเป็นปกติแต่พวกเราไม่รู้ฉันก็พูดไม่ได้ครับอที่หลวงพ่อบอกว่าบางครั้งเป็นเป็นเนนเหรอครับมีเป็นเนนก็มีอ ทำไมชอบเป็นเนนเนาะทำเป็นเนนเล็กๆตังสององให้เขาแปลกอเพื่อจะได้ไม่สงสัยว่าเป็นใครไงว่าท่านพวกนี้ถ้ามาร่วมในงานบุญบุญคานั้นใหญ่มากอานิสงสูงท่านต้องการช่วยอานิสงส์เท่านั้นเองอไม่ใช่มาอวดอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกหลานคนไหนไม่ไปคนนั้นก็ไม่ได้อะไรอา น, นิสงส์นั่นแหล ะ, ะได้ไม่ไปก็ฝากประจำไป <c oughs> <c oughs> นี่กินแล้กันใช่ ด, ดีก็สีม่วงบนอะไรี้ส่งเต็เตียแม้ตัวไม่ไปก็ก็ๆๆยังได้นะๆๆเอาๆๆๆม่วงไปกันแล้วกันนะมันคือกส่งมาม่วงนะลองตอบว่าละเอียดชี้แจงละเอียดละอองก่อนนะถ้าคนเดี๋ยวได้ไว้ใจยากินะมันม่วงม่วงเหมือนกันหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากจะมาขอขอเสียใจกับหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งคือตอนที่ลูกเอายาฉีด ปลวกหมายความว่าที่ทางห่างนะแต่ว่าไม่ทราบว่าไปโดนพึ่งที่ข้างล่างแต่ศูนตายเรียบร้อยเลยลูกห ม, มอก็มาลาโทษจากหลวงพ่อขอหลวงพ่อโดยโอโหสิกรรมให้แกพึ่งด้วยเถิดเจา้าค่ะเอ๊ะไม่ยังไงกันเลยมันน่าจะเอ้โหสิกรรมให้กับคนทำนะใช่นั่นหนูคิดแต่ว่าไม่เจตนาอย่างนี้ก็คงจะไม่เจตนาอาจจะเป็นบาระของพึ่งอ ไม่ตั้งใจไในบาปนะครับครับครับแต่ระวังในชาติหน้าก็อาจจะฉีดยาไม่ตั้งใจฆ่าเรานะอ๋อไม่เจตนาทํากรรมตัวเองก็จะได้รับกรรมโดยไม่กรรมประเภทนั้นก็มาเหมือนกันเคยมีเรื่องปรากฏเหมือนกันเยอะโยอะเลยนะครับเยอะดีโอเก็บไว้เก็บไว้ขายวันหน้าขายต่อไปนี้จะไม่ทําอะไรอีกแล้วโดยไม่เจตนา โดยพาอย่างยิ่งไ ม, ไม่ไม่เรียนหวยเจตนาครับปกติผมก็สับเพสอ่าไม่ได้เลยนะ <c oughs> ขอยักย่ังเดียวอย่อยันสิ่นผมผมปฏิบัติได้ไดนะ <c oughs> ขอไค่สามตัวในะก็อนะอแล้วแอ่เจ็ดสองจะได้เจ็บตาย <c oughs> ชาว บ, บ้านก็ถูกกันเละยกทรงก็เลยเละหมวทะเลาะกันเลยอดเลย <c oughs> ำนะจำไว้นะเวลาหวยออกห้ามทะเลาะ ก, กันตัวยกทรงเป็นตัวอย่างล็อกพ่อเจ้าขา พี่สาวของลูกได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเป็นเวลาสองสามปีมาแล้วแต่ในระยะมาไม่เร็วๆนี้ก็ปรากฏว่ากรรมฐานเข้าขั้นยังไงก็ไม่ทราบเช่นผู้จาเพื่อเจอทอบซันสิ่งศพกระโปรกภายในบ้านแล้วไล่พี่ไล่ไล่แม่ไล่พ่อไล่ต่างๆให้ลงปจะจับ้านให้หมดเขาจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุฉันนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าสงนะใครจะมายุ่งไม่ได้ ลูกเห็นว่าชักจะไปกันใหญ่แล้วจะแก้อย่างไรก็ไม่ตกก็เลยมากราบถามหลวงพ่อว่าจะมีวิธีคำแนะนำเพื่อไปแก้ไขในเรื่องนี้อย่าง<ม>ไรบ้างมีเลยส่งไปวัดสากกองคำเท่าร่มบุไวอ อ, อ, อเดี๋ยวเดี๋วปีติขึ้นสูงไปอ่อไม่เลยมากแล้วนะปีติสูงไปคือไม่หลับไม่นอนเข้าก่อนน้อยประสาทย อ, อที่ว่าเครียดเกินไปกันแนออ มา <ละ S 1> จากในมันฐนนิยมครับครับเดี๋ยวถ้กิดหลวงพ่อบอกพระครูวิชาญก็ก็ร <ทำ S 1> <า>ักษา้อยยางงี้ก็สบายแต่ปไปสายนี้ก็ได้นะสหารก็ผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาบ้านไม่ทราบว่าลูกมีเวรมีกรรมอะไรตั้งแต่ได้พระํำข้าวมาหาราบหลวงพ่อไปแล้วเวลา <ะ S 1> ไปซื้อของแม่ค้าที่ลายมันชอบทอนเกินทุกครั้งมันก็ดีเนี่ยนี่ ต้องแก้กรรมนะแค ก, ก้ยังไงเมตตาด้วยครับให้ที่เกินน้ำมาให้ฉันเพ <c oughs> ี้ <c oughs> ไม่ดีท่โทษเมตตาแล้วก็จะโมทนาด้วยอ๋อต้องโอมทนาไงเรามาให้ฉันทั้งหมดเรืร่องราวไปอ๋อนี่ก็รับกรรมแทนไปไม่เป็นไรอ๋อเรื่องเอาเงินมาให้รับกรรมแทนที่หลวงพ่อยินดีแล้ครับรับรับโอ้หายากนะละอย่างนี้อครับรอแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ประจำ แรกๆกับคิดจะเอาไปคืนแต่มาคิดจริงๆเอ๊ะเขาให้เรามาแล้วก็น่าจะเอาเออมีตอนท้ายบอกมาทําบุญหลวงพ่อก็เป็นอายเงินที่เกิดมาทุกครั้งลูกได้ถวายสังฆทานแล้วขอทิศจอดจงให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่ อ, อ, อหายโรคภัยไข้เจ็บโดยฉับพลันด้วยเถิดเจ้าข้าแม้ฉับพลันนี่หวาดเสียวนะหลวงพ่อกลัวจะพุ่พับไปเลยครับ ปดเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหูนี่เต้องอ่านว่านขยายสามสิบชั้นเนียอ๋ลูกอยู่หอพักเวลาอ๋อนี่นี่คล้ายคึงกันเลยนะเวลาทำสมาธิจเจริญกรรมาฐานจะปรากฏดังต่อไปนี้หนึ่งตัวเองรูปร่างใหญ่บางครั้งจะมีอาการอ่อบวมอูดขึ้นมา มือขวายกขึ้นคล้ายๆจะปล่อยคว้าอะไรในลักษณะอย่างนั้นอลูกได้ทําอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แก้ไม่ตกเลยลูกเรเมว่าใครมาเห็นหาว่าลูกจะเพี้ยนจึงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการทํากรรมฐานในลักษณะแบบนี้เขินปล่อยต่อไปจะเพี้ยนหรือเปล่าเจ้าคะดีอ้าวดีอีกแล้วไหมวัดข้าวสูงนี่ไม่เคยพลาเพี้ยนแล้วมันไม่ผิดกฎหมายทัอะไรนะทําได้ อ, อ คนบ้าเนี่ยเขไม่จับหรอกโอ้โอเขายกเว้นเหรอครับยกเว้นอ๋อพอเสีไม่ต้องเสียอโอแต่ความเียุการณแบบนี้มันเป็นปีติตัวที่ห้านะก็ได้พัฒนาปีติดีมากโอไ้ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับพ่อของดีไม่อยากของเสียอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยปล่อยจะแก้ทำไมมนเลยไปแล้วมาหยุดเองอ๋อคือคือคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกพ่อนี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเวลาทําความดีพอไปถึงจุดดีแล้วโอ้ตัวว่า กลัวดคีครับรับครหรือไม่ก็กลัวจะเตลอดเ ป, ดปิดเปิงลักษณะอย่างนี้เป็นตน้นเอาละกลางเช้าหลวงพอ่อจะก็ลบอย่างสูงคือว่าที่บ้านของโลกอยู่ อ, อําเภอกาแรงจังหวัดระยองใกล้กับวัดสารนาฏธรรมารามลูกได้ตั้งสามพระภูมิที่บ้านมีคนมาทักว่าการตั้งสามพระภูมิใกล้วัดไม่ค่อยดีจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องให้คนอื่นมาแก้ก็รู้สึกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลย ผมเห็นลูกเห็นว่าหลวงพ่อเป็นที่พึ่งดางสุดท้ายก็อยากจะขอคําแนะนําว่าการตั้งสารประภูมิหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางใกล้วัดนั้นเราจะตั้งจะพูดจะทําแบบไหนซึงจะไม่มีเรื่องเดือดร้อนหรือมีปัญหาเจ้าค่ะนหรือวัดจะวัดที่มาตั้งใกล้บ้านเราน่าเหรอตั้งใกล้บานเราโอ้เอาออกไปเลยงั้นเหรอใชยไปเลยจะได้หมดปัญหางั้นเหรอใช่ อยย่างงเีมีมั น, นไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าใครยังต้องตังค่าก็ไปเชื่อไอ้คนไปเภทนั้นที่ที่จริงมันมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเลยโอแม้ที่จริงนะพวกหมอดูก็ตีหมอเจา้าก็ดีนะยิ่งไปหามากรู้สึกจะเพลองตางมากแล้วมันก็จะได้ผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาหาหลวงพ่อดีกว่าไมดีไม่ดีมีองค์อีกอ่าๆยังไงยังไงยังไงอะไรต้องอะไรต้องอะไรเข้าครูรอบครูขันห้าขันเก้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ สบายใจคันห้าต้องระวังนะพังหลายลายนะโอ้ังได้เหรอครับผังเยอะเออบังคับเอาประังเท่าไหรก็ต้องให้เป็นล้านก็ต้องให้โอ้โทีจะขายบ้านขายช่องขครที่ไรทีนาครับครับครับยรั่างอย่าไปเป็นเลยฮะร่างสงดีไม่ดีจะยุ่งเอาเรื่องนี้กว่าเอาหลวงพ่อเข้าประทับสมซะกันหมดเรื่องเออหมดเรื่องของเราอย่าได้ไปต้องไปเสียขันถ้ามีหลายลายแล้วนะอะยังไงครับหลวงพ่อ ข้าทรงพวกไปถามที่วัดเน่ยเขาเขาก็ถามว่าไงกันลึกบังเอิญคนหนึ่งยังอยู่จบบังหวัดอุบลอ๋อบังเอิญอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดเพชรเจอิญเป็นผู้ชายนะอายุประมาณสามสิบเศษครับแสดงว่าเป็นไไปคนฉลาดทั้งคู่ทั้งคนเนี่ยมองปั๊บก็ทราบว่าคนฉลาดอ๋อทีนี้สองคนไม่ได้ไนัดกันไปพร้อมกันโอต่างกัต่างมาอะไรเงี้ยต่างกัม า, ามครับคนหนึ่งก็ถามว่าเราพ่อไปทรงนบหรือเปล่าครับ ก็เลยบอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้จ้งเขาบอกผมเข้าใจครับอีกคนก็บอกว่าผมจะมาถามเหมืนกันครับเนี่ยหลวงพ่อพูดแค่นี้เขาเข้าใจเลยนะหลวง่เข้ า, ขาใจสลดัดผ่อนจัดมากอ๋อก็แสดงว่าที่เขาอ้างาาว่าเข้าทรงหลวงพ่อเขาคงจะเป็น อ, ออะไรเ <c oughs> ขาเ <c oughs> ขาทำเหมือนหลวงพ่อยาดนั้นขเขาก็เป่าเป็นหมากเขาก็กินเป็นแล้วก็เป็นวงเป็นหวัดเขามีผ้าใช้กินวงกินบวกทำลีลาคล้ายเลยแต่เสียดายเสียง เสียงก็ทําไม่ได้มันเป็นตัวเมียไปไปไปไปฮอ๋อลุงพ่อตัวเมียเขาเรียกว่าภาคัวเมียแน่เลยมีหลายฟางนะมีหลายอย่างครับอย่างอะไรอ่ะไอ้อย่างอย่างบ้านน่ะครับบ้านจะบูรเลือด่างตัวผู้ตัวเมียไงโออนี่ก็มีพระลุงพ่อจะพผู้ลุงพ่อตัวเมียครับครับครับแค่ตกลงว่าถ้าจะมีใครมาพูดว่า ที่น้นเข้าทรงหลวงพอ่อคนนี้ครับทรงพอ่งพอก็ เ, เป็นนั้นว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดไม่ได้ไปอย่างนั้นเหรอครับไปอ้าวต่ที่ว่าไม่ไปเดี๋ยวป่ะยังไงกันแน่คบว่าหป<อ>คาที่ข อ, อ, อ้โหแบบนี้อ้าก็สบายใจเรื่องนี้อ่ากลาเท้าหลวงพ่อที่ก็ลอย่างสูงอ้าวหมดเวลนะาเลยเนี่ยเร็มไว้ไว้ตรงนี้ของนี้ต้องติดตรงนี้เพราะว่ากระเบื้องยังขาดอีกร้าหลายล้าน อ่ลูกชงเป็นคนชงต่อเวลาอ้อาวไวผงนี้เแตะไม่ต้องห่วงให้อะไรฝันพวกนี้อเห็นพยักพเ <c oughs> พเืเยื่อจะยกรงก็เบื้องฐานไร้แรงพยักเพื่อเื่อทำพาดก็ให้ก็ฝันก็บอกว่าตั้งใจจะออกสิบล้านก็ให้หลวงพ่อหาเงินจ่ายไปฝันก็จะโมทนานี่เข้าข้างฝันกิดหน่อยตอนนี้อเอาล้วครับท่านที่กรบพอดีหมดแล้วนะ ใ, ใจเย็นดึกเกินไปท่านจะมาบน่นก็ประกาศว่าสำหรับเดือนหน้าหลวงพ่อก็มาตั้งแต่ปลายเดือนมิมถุนายนนี้คือสุดที่เก้าเสาร์ที่สามสิบอาทิตย์ที่หนึ่งกอคอแล้วก็อาจารย์ที่สองกอคอนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าอาจารย์บุญ ร, รัตน์วัดโขงค่ะลงปูลุงตาอ๋ อ, อยศเก่าลืมบอกลืมลืมยศเก่าไปแล้วนะใช่ๆ <laughs> อ๋อๆๆอคุณแม่ท่านแทบจะซักดิ้นซักงอลหลังจากที่ไปหาพระผู้เฒ่าหมอดูองค์หนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องกล่าววัดว่าแม่ของลูกมีเคราะห์อย่างหนักอาจจะต้องตายในระยะไม่ช้านี้ <ทำ S 2> ลูกตกใจเป็นอย่างมากวันนี้รีบมาถวายสังฆทานกับหลวงพ่อเพื่อจะต่อชีวิตให้คุณแม่ยืนยาวนานให้ที่สุดเท่าที่จะนานได้ ขอบารมีหลวงพ่อช่วยต่อคุณแม่หน่อยเถอะแกก็เพิ่งมีอายุแปดสิบกว่าเท่านั้นเองเจ้าคาคโอ้ยอายุไม่มากเท่าไหร่เนาะหลวงพ่อต่อคุณแม่ภาคเจ้าอย่างยาวและอย่างยืนล่ะอ๋อมีทั้งยาวทั้งยืนเหรออ่าเดี๋ยวยาวไปยังไงยืนเยาก็ลากไปตามเพลินเยืนก็สูงขึ้นครับครับเอางี้ก็แล้วกันนี่ซื้อเชืออมันลีลามามัดอย่างอย่างยาวนะ อย่างเย็นก็นซื้อต้นตาลมาต้นหนึ่งมาถวายโอ้ยยืนใช้ต้นตาลเหรอใช่ใช่ายาวใช้เชือกมนันลีลาแล้วเอานี้ลแล้วกันเนี่ยนะยังไงครับหลวงพ่อเมตตาเราเถอะให้แม่ไปปล่อยปลาซื้อปลาให้ท่านก็ได้อปลาที่เขาขายนะตัวละปีปลานี่ช่วยได้ตัวละปีเหรอครับใช่ใช่ถ้ายังไม่ถึงอายุไขนะตราบะปีถ้าถึงอายุไขก็เลิกกันไม่ต้องป่อยเลิกกันแล้วไปสวน โอ้โหไปสวรรค์เลยนะโออย่างนี้ดีกว่านะก่อน<ๆ>จะไปก็สังไปมาทำบุญะให้เรียบร้อยอ่าเาาาข้ารวยรวยลงเลยลาบเท้าหลวงพ่อตีกระลบอย่างสูงคุณยายของลูกตายไปเป็นเวลานานแล้ว เวลาลูกตรวจน้ำก็ชอบตรวจรวมๆให้ยายนั่นยายนี่ตานั่นตานี่ปู่นั่นปูน่นี่เป็นประจำถ้ากดมาเมื่อระยะไม่กี่วันวันนี้เองยายผู้ตายมานานแล้วเกิดมาเข้าฝันบอกว่าหลานเอ้ยที่เองใส่บาทอุทิศส่วนกุศลไปให้นะ่ะอะไรก็ดีหมดเสียอย่างเดียวข้าวมันแข็งไปหน่อยยายเงือกเจ็บที่นั่นน่ะด้ไม่ได้ดูยาย ไม่ได้ห่วงยายมันเขาต้องโคลก่อนโอต้องโคลก้าก่อนเลยใช่ใชอ้ต้องโคลกให้นิ่มๆก่อนเลยใช่พอละเอียดมันเด็กๆไงเล่าอะไรลูกเนี่ยอะไรลูกอ๋อเออมณฑาธุเออเออดีมณฑาธุ์โกโกลกใต้ละเอียดก่อนนะเออมณฑาธุลูกโอ้หานักเรียนดีมากดีมากเลยอะไรล่ะครับสาธุนะเขาจะไวเสื้อผ้านักเรียนชายนักเรียนหญิงอ๋อ องของเด็กก็รับของผู้ใหญ่ก็รับเอขนาดไหนครับครัโมตนาสาธุด้วยเออขนาดโตจะเอ้ารวยรยๆจ้ะถ้าบอกเสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นนอกเฮ้ยยังไงให่ใเสื้อชั้นในกับกางเกงชั้นนอกเอ้ารวยรวยว่าวต่อไปที่ครับหลกปราดเท้าหลงพ่อที่กระลบอย่างสูง เรื่องการทําการบวงสวงอจําเป็นจะต้องดูเลิกดูยามหรือไม่แล้วก็เครื่องเส้นที่จะบวงสวงควรจะหันหน้าไปทางทิศใดจึงจะเหมาะสมและถูกต้องเจ้าค่าต้องมีเลิกมียามนะ<อ>ต้องหาแล้วแล้วจะหากันยังไงจะทำไงคุณหลงพ่อหนึ่งหงละมีสตังซื้อหมูซื้อไก่โอ้นี่เลิกที่หนึ่งเหรอนเลิกที่สอง มีผ้าขาวปูตโตโ<อ>เลิกที่สามมีคุณวงสวงกาบบัเลิกที่สี่ของทั้งหมดยกใหย้ยกท่งไปโอ้โหนี้เห็นด้วย <c oughs> เห็นด้วยเห็นด้วยแต่ในนี้เขาได้อ่าโหราจารย์วงสวงโอ้โหเ ก, ก่งขนาดยอดเตินลวงพ่อทําไมเลยก็หลวงพ่อเทอ <c oughs> ไปไงเดี๋ยวนี้อาศัยเทปหลวงพ่อมาทัง้งนั้นแหละวงสวงอ่ะ ไม่ครับตายจินข้าครูไม่ไให้เลยโอ้โนี่งเวลาพอที่บวงไปแล้วก็ต้องมาอ้าวต้องคุนดองเบี้ยวันระเท่าตัวโอ้โหโอครับครับครับแต่เรื่องเรื่องเทปไปบวงสวนี่ตกลงก็หลวงพ่อเมตตาอนุญาตล่วงหน้าไว้เลยฮะคือว่าให้นึกถึงท่านธรรมหาราชกระเทวดาทั้งหมดมีพระเจ้าตูนทานนะใช้ได้เลยโอ้โห ที่แล้วมาก็พลาดสิเขาเอารูปหล่อเขาเอารูปภาพหลวงพ่อไปเป็นประธานลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนี่วันนี้ก็ต้องไปบวงใหม่สิเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใจตามมาแล้วกันโอ้โหแล้วจะติดต่อให้เองเลยใช่ใช่เอากะจนได้เอาเอารบครบเหน่อังทาวเจ้าเอาลูกเล็กก็่เคารพอย่างสูง วันหนึ่งหนูกับน้องๆจุดธูปเทียนบูชาพระรัตรนตรัยเสร็จแล้วก็เปิดแทพ <c oughs> เสียงธรรมของหลวงพ่อ <c oughs> ฟังในยามค่ำฟังแล้วก็นั่งเจริญประกรรมฐานปลากฏดสุกกายสบายใจแต่ที่แปลกใจก็คือว่าแจกันกับประถางธูปห่างไกลกันมากผลปรากฏลืมตามาแล้วไฟไม้แจกันไปหนึ่งช่อ ลูกตกใจเป็นอย่างมากเอไม่ทราบว่าลูกมีความผิดพลาดต่อหลวงพ่อประการใดขอหลวงพ่อชี้แนะและแก้ไขโ อ, อโหสิกรรมให้โดยเติดนเจ้าฟ้าไม่ผิดไม่ผิดหลวงเอ้ยไม่ผิดอะไรแล้วใหม่เป็นหนึ่งแจกันนั้นหลวงพ่ อ, <ข>อนะถ้ามันผิดก็ไม่ใหม่ที่ออยังไงเรียกว่าถูาถกเหรอก ถ, ถูกก็ใจต่อก็ไปก็ดอกไม้มันใกล้ไกัน่ะมันถูกกันนั่นไม่โอ้ถ้าผิดถ้าผิดแปลว่าใหม่ใหม่ไงนะทนายครูบาอาจารย์คนยังไม่รู้เรื่อง ดีก็อยูห่างกันดิมันไม่เป็นไรนะครับครับครับยหเหมือนกับคนโทรอะไรมี ม, มีมีอะไรตัวอย่างเหรอครับฮะเหรอื่นอะไรดะะะะะเดี๋ยวเไปเดี๋ยวคนโทรอะไรว่าพิลาศยะสมานใช่ไหมสมานสมานเลือกไปยังไงพ่อเขาเขาบอกเขาไหว้ครูวันไม่ครูใช่ไหมครับฤกษ์ศิก็มาม า, มากอไหว้ครูชั้นบนบ้านบ้านชั้นสอง ที่น ah. ั่นก็มีผู้เขียนมากเต็มกระถางไหว้ศิก็ลงข้างล่างเสียงไฟไหม้บนบนเทียยพระเพี้พระเพีพระตุสิฏราชันไฟไหม้ข้างบนบ้างบอกเฮ้ยไม่ใช่เทวากลับโอ้ตอีนีควันกลุ้มบนธนตังรรหมมาลยไปดับไฟกันแล้วไม่มีอะไรไหม้ในกระถาง ไม่เฉพาะนกระถางแต่เฉพาะนกระถางข้างนอกมันบอกว่าที่บูชาน่ะกระดาษเยอะทงไม่หม่ครับไม่เพราะนกระถงังนั่นเองครับอย่างนั้นที่คนแนะนาบอกว่ า, ากระถางทูบนี่ถ้าจุดอมีก้านเยอะๆเขาบอกจะเฮี้ยนจะสักศีลจะเกิดอะไรนั่นเฮี้ยนพระองค์ที่สี่จะมาโอ <c oughs> โ อ, <c oughs> โอเฮี้ยนแบบนี่เองนะใช่ใช่ใช่ไม่น้าเรา กุติพระครูประกาศกันหน้ายี่ผ้า่อไปแถบมือพระองค์ที่สี่มาเพราะาการสู้มันเยอะไปหน่อยการสู้พยายามทิ้งไปเถอะโอ้ยี่เราจะจุดทีก็ทิท้งทีหมดเร<ช>ื่องเวลาเ<ช>ลย <ไป S 1> นะเวลา ล, ลงพ่อลงพ่อเจ้าขาเวลาที่ลงพ่อมาซอยสายลมลูกไม่ค่อยว่างแต่ว่าอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อเลอกเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฝากเข้ามาบ้างพอละเลขธนานัตไปถวายหลวงพ่อที่วัดบ้างเกิดฉันดีฮาชอบอะไรไม่ถวายจ้นไม้กับมืออย่างนั้นจะชอบเลวนั่นทําไมจะไม่ละเลขเขาถึงมือนะธนานัตก็ถึงมือฉันนะอ้าวฉันต้องเซ็นรับน่ะอ้นี่ก็ดีด้วยอันนี้สุดยอดเพราะอะไรเจ้าของไม่ต้องเสียค่ารถอเโอ้ประหยัดนะ ตอนี้แปลว่าเช็คเชื้อสนงนัสนะรับหมดเลยเช็คไหมเอาเอาจะเช็คพักไปเอาอ๋อครับเขาก็บอกว่าลูกก็เกรงเกรงว่าแม้ทําบุญแบบนี้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับคนที่เขาไวกับไม้กับมือเขาว่าอย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่าว่าไอ้ถวายกับไม้กับมือกัไอ้ถวายฝากเข้าไปส่งพัฒนานะก็ว่าอันนี้ส่งถวายกับมือ อ, อัินี้สงดีสบายก็ไม่ไม่เคยดีโอ้ชัดเลยนะข้อนี้นะ่ยโอ้ที่แสดงก็ผ่านยุตธรรัรรรรรนนี้สงนั้นมันเท่าออ ก, กันแต่ปีติไม่เท่าออ ก, กันอ๋อนี่ยมันคืนขอข้อยได้ว่าเป็นไปหย่อนก็หน่อยที่ปีตินีครับๆๆัอยู่ที่สงนั่นเอน ง, น, งนะก็อันส<ะ>งไม่พร่องนะครับๆๆับครับอันนี้ฮอตไลด์ด่วนมาบอกว่างานพระเจ้าพรหมมหาราศ ที่จะถึงวันที่แปดกรกกลานี้ไม่ทราบว่าจะใส่เสื้อสีชมพูหรือสีแดงดีเพราะว่าแดงดุเดือดชมพูจะมีลาบขอหลวงพ่อช่วยตัดสินด้วยจะแดงหรือชมพูดีเอาอย่างไรกันเอากระเกงชมพูเสื้อสีแดงโอแง่ไม่เลยนี่นี่นี่เจอพระจริงก็แล้วจะได้บัวไปจามน้ําไปม่ขุน อาวถ้ามีลาบแล้วไม่ดูเรือเดี๋ยวก็หมดรุ่นต<ร>้องมีอำนาจแดนมีอำนาจ น, านะโดยในใจเราผมต้องกราบขอบพระ<ล>คุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเพื่อที่จะได้สงเคราะห์ลูกเป็นครั้งแรกในฐานะมาเป็นสิทธิ์ใหม่ผมขอสารภาพด้วยใจจริงว่าผมเป็นเด็กวัดมาหกปีแล้วทุกอย่างเรียบร้อย มะพร้มาวมะม่วงส้มโอฉันอ่าฉันก่อนพระเสมอเป็นโตที่เขาถวายมาผมก็เอาของดีๆกินเป็นส่วนใหญ่บัดนี้ผมมาเป็นลูกเสร็์หลวงพ่อลูกขอโทษลุกบาปลูกกรรมแล้วอขอหลวงพ่อด้ยให้เอาโหสิกรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่าเออของสงอโหสิกรรมไม่ได้นะไอ้ ย, ยาแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อเสร็จใหม่บัดนี่สง ในตังห้าบาทสิบาทก็ใส่ซอบอกเชเยี่ยมร้านนี่สงทําไปเรื่อยๆแล้วแล้ววัดนั้นมันห่างกับว่านนางใจมาแล้ววัดท่าสงรับแทนอู้ต่อแม้ตอบใบเลยเรื่องรับแทนเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเรียกว่าให้เชิญว่าชําระหนี่สงนะชำระนี่สงวัดไปเข้าบัญชีนันชําระนี่สงอ๋อแล้วก็พระที่รับไปมันใช้ผิดประเภทมันไม่ได้ด้วยเลยครับครับครับ อ๋อก็ตกลงว่าเอวิธีแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือทําบนโดยการชําระนีิสงนะใช่ใช่อย่างนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมากไม่ยังต่ําก็ประมาณยีล้านสองล้านก็พอโอสงสัยต้องย้ายวัดแึงแล้วคูวัดนี้พูดพูดระดับไม่มีต่าๆเลยเนาะไอ้ที่ล้านนั่นไม่ใช่อะไรแล้วทำไมครับก็ดานเล่นเลียนโอ้ห้าบาทสิบบาทก็ได้บาทเท่าบาทก็ได้ทำไปเรื่อยๆ ใจจะได้เบาครับครับครเมื่อเราทําเข้าไปแล้วมันอาจจะยังไม่ครบกาตามนะใจมันมันไม่เกาะก็เลยไม่ลงนรกไม่งั้นใจมันเกาะเอ๋อย่างคนแก่คนเฒ่าโบราณนี่จะเอาก็ยังไงเนี่ยทําไมหน่องไม้แม้จะเอามาจากวัดก็ก็สาแกงก็ถวายพระว่างนี่จะก็แบ่งกันคนครึ่งหมว้มพระพระพไปถวายครึ่งองค์แล้วโยมะโยมปถวายครึ่งลงนรกครึ่ง ควาจริงของสงฆ์นะ<อ>แต่ที่ของที่วัดมันไม่แน่ต้องพิจารณาตามนี้มีเหตอย่างดอกดไม้แต่หาว่าพระที่ท่านปลูกยังยังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมครับครับหรบือว่ายังไม่สืบหรีอยังไม่ตายไปขอสมเจ้าของก็ได้นะเขามีเจ้าของถ้าพระนั้นสืบหรือตายไปแล้วเป็นของสงฆ์โอ้ไปอย่างนั้นแม่แม้ผลไม้ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะเรียกว่าของสงฆ์นี่แตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะได้อ่ะตั้งให้ไปขอแ ก็ต้องประชุมสงฆ์ต้องต้องตกลงเจ้าวากันแล้วกันออ้ครับคระถ้าเจ้าวาดทำผิเจ้า่าดก็ลงนรกไปเองจะได้ไปด้วยกันเลยใช่เลยหลงพ่อเจ้าขาลูกมีความสงสัยว่าในฐานะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วคำสอนทุกอย่างก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนลูกจะต้องท้องพุทโธเป็นประจำ แต่ว่าทำไมหนอผีชอบมาแกล้งลูกอยู่เสมอเสมอใช้พุทธโธเป่ามันก็ไม่ไปใช้พุทธโธไล่มันก็ยิ้มแย่ๆลูกก็เลยเสียใจร้องไห้โ ho ฟ้องไปถึงพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระพุทธเจ้าสู้ผีไม่ได้ก็พอพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพูดอะไรวันนี้ลูกมาขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อ ว่ามีดีกว่านั้นหรือไม่ที่จะไปต่อสู้กับผีตอนนี้มีเหรอครับเมตตาสักครั้งสักหูนี่ก็หลังตกทุกใช้เสือกบากวังร้างตัวอะไรนะเสือกบากไอ้จะอยู่ในโรงครัวใช่ไหมใช่ใช่ใ่ตีนัดดีนะโอออันนี้ผีผีกลัวเหรอควาจริงนั่นมันไม่ใช่ผีเทวดาที่เป็นญาติกัน ไอ้ยาเขามาเยี่ยมดันไปกลัวเขาได้ไอ้ที่เยี่ยมซะแย่ซะแย่โอ้โหไปว่ากไปว่ากพผีไอ้คาถาขับเทวดานะไม่มีนะมีแต่คาถาขับผีอ๋อนี่พุทโธพุทเทอะไรเทวดาก็ไปไปเทวดายิ่งชอบใจใหญ่เลยอ่หนักขึ้นไปอีก เพราะอี้นี่มันดีเนี่ยพราหรณ์นาพุทโธนึกถึงพู้พุทธเจ้าเพราะเทวดาจะเป็นเทวดาได้เราต้องอาใัยพทธเจ้าใช่ไหมครับครับก็เห็นความมั่นคงวุฒจิตว่านี่ตัวนี้มันดีรู้ว่าชดใจครับครับโออย่างงี้ก็ไม่ต้องไปภาวนไม่ต้องไปไล่เลยนะจะไปไล่เลยถ้าเป็นยกทรงแล้อย่างงี้ที่ยังไง่านพ่อครับที่หลังถ้ามานะ แกมาหลายหนแล้วฉันน่าลำคาญเต็มทีโอตอนนี้ไปยินดีให้มาทุกครั้งก่อนหวยออกบอกหวยด้วยโอ้แต่บอกหวยไม่ได้ห้ามมานะ<อ> ม, มีสัญญาสัญญาเลยนะไม่มาโอ้อย่างอย่างตัวว่าคืนนี้จะมาก็ต้องบอกได้นะใช่ใชราะ ง, งนี้หวยออกใช่ <laughs> อ้ <laughs> เ, อาาเลยเยเออหลวงพ่อเจ้าขาลูกรองใช้ สมถะกรรมฐานโดยการเพ่งเทียนที่ว่าจะลองดูว่าจะมีผลเป็นประการใดพอจิตสงบปุ๊บปรากฏว่าลูกเห็นแสงเทียนกลายเป็นดวงดาวสีแดงทีแรกก็เล็กแล้วก็มาใหญ่ใหญ่แล้วก็มาเล็กสลับกันไปอย่างนี้แล้วก็หายไปสมถะขนาดนี้จะพอใช้ได้หรือไม่ถ้าจะต่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ควรจะต่อแบบไหนเจ้าคะต่อต่อต่อทีแล้วต่อสมถารู้จักอย่างใช่ไม่ได้อ่าตกสอบตกเลยแบบนี้ใช่ไม่ได้พระถ้าจริงจงควรจะก็ไม่ไม่จริงช้าตัวสงสัยนิวรณ์ตัวที่ห้าโอตัวนี้ร้ายเหมือนกันเหรอทุกตัวลายเท่ากันหมดห้าตัวนี้เสมอเหมือนกันเลยเหมือนกันกระหม่อมวอาอย่างนี้ที่ยังไงครับหลวงพ่อครับ แห่งพระพุทธรูปดีกว่าได้สองอย่า ง, งได้เบนกอสินด้วยพระพุทธรูปด้วยพระพุทธานุสติด้วยั<อ>บดได้กําลังใหญ่กว่ า, วานะอาอ้าวเปลี่ยนทเทียนเซินจะไปใช้เลยสวายวัดไปเทียนไหมไม่เดี๋ยวเทียนโดนต่างแบบแบบทียนเล่นเพ่งทเทียนเนี่ยนะใช่สิโอเที่ข้างวัดดาวดึงกลับไปไงท่านใครเจริญกอสินเทเตโจกอสินเทียนเนี่ยนะอพอดีฉันไปเท่กลับมามาพักพอดีทักบู๊ อไอ้บ้านก็อยู่กองนข้าเมเงคลองเล็กๆใช่ไหมไปไปใช่หมลาบลาบแ่ก็นั่งโตงข้ามนั่งไปนั่งปรเดียด๋ยวเี่หเสียงไฟไม้บ้านนะวู้ยโดดโดโดต้มโอจระต่างดีน้าขึ้นใะคลองนั้ น, นแต่น้ำไม้ขึ้นขาหักโอ้โหราน้าลงน้ำมาแห้งใช่ไหมลาบไปไหม้ไปไหม้บ้านไปโชคดีที่มันเป็นมันเป็นปฏิภาคกันนิดโอถ้าไม่เข้าใจอย่าเล่นเลยนะ โอใช้พุทธาตุสติดีกว่าความจริงพุทธาตุสตินี่ดีดีกว่าดีที่สุดแล้วอ๋ออย่าอย่าไปเหย่มอมเนี่ยะกระสินเทียนนะกลาบพระเจ้ากราบเท้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูง ล, ลูกได้รับคําสั่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านแม่สีว่าให้ลูกบวชให้ลูกบวชนะจะได้เจริญรุ่งเรือง ลูกรับฝากในนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญเกิดความจำเป็นบวชไม่ได้แม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโอกาสจะบวชจึงอยากจะขอผันผ่อนจากหลวงพ่อว่าจะทำอย่างอื่นทดแทนในการบวชหรือจะแก้ไขยอย่างใไดได้บ้างหรือไม่เจ้าคะฉันไม่กล้าขัดคำสั่งเทวดาไหนเรื่องคำสั่งเทวดานี่คาไหนต้อง ไ, ไปคำนั้นเลยนไม่ได้เ ถ้หมายความถ้าทาต้องการความจเจริญรุ่งเรืองให้บวชใช่ไหมล่ะครับรบอเวลาจนกว่าจะมีโอกาสบวชก็แล้วกันข้มยเรื่อยไปร อ, อ, อไปก่อนอย่าียรอไปได้ออไครัครับคหลวงพ่อขอรับระผมสงสัยว่าผู้ที่จะเลิญอรูปประชานหรืออรูปประพรมนั้นน่ะถ้าจะต่อเป็นวิปัสนายาน หวังมรรคผลพระนิพพานในชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงหรือจะต่ออย่างไรขอหลวงพ่อโปรดเมตตาด้วยเถิดขอรับทําได้หรื อ, อยังนะทําได้หรื อ, อยังอ่าคนจะเขียนมาได้อย่างยังมันเป็นยังไงนะลูกประชานชาตนช า, ช า, ช า, ชานแช่นี่ผมยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เอากสาราัญญายตนะอกินัญญาตนะโอ้ยอดน้อยเหลือเส น, นาสน า, ายัญญาจตนะ กินยานันายา น, นันนะนั่นนั่นน่นไม่รู้เรื่องเสี น, นะสีนนะส่นะหนะคนนี้ถามแล้วยังทําไม่ได้หรอกไม่ได้สักนะเลยใช่ไหไ้แต่คณะหนึ่ง<อ>ถ้าได้แล้วเขาไม่ถามแบบนี้เขาปัญญามันเกิดแล้วถ้าต้องการนิพผ่านเจ็ดวันเท่านต้องการรหัสนะถ้าได้อย่างนี้แล้วนะใช่เ<อ>จริเวสานาญาณเขา้าใช้รูปปั้นชัเข้าเป็นพื้นฐานนะไม่เกินเจ็ดวันเป็นพราะรหัสโดยสัญญาญาณ อ้าวอย่างนั้นชานก็ดีเหมือนกันนะทีคนที่ได้ชานก็ดีเหมือนกั น, นอ้าวก็ต้องถือชานเป็นพื้นฐานจะไปละหันเป็นโสตดาวสิกาค า, ามันก็ต้องมีชานเป็นพื้นฐานไม่มีชานพื้นฐานไม่ได้หรอกอ่าหตายแล้วคนระับที่พระสอนบางองค์ท่านบอกว่าสมถะไม่ต้องใช้วิปัสสนาล้วนรวดเร็วจะไปนิพพานได้ง่ายเพราะสมถะทาไม่ถูกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยจะรู้เรื่องอะไรไอ้คนสอนนะอ๋องอ่อนยกทรงเนาะ งอผู้งอกว่ายกทรงเยอะยกกว่าแล้วเยอะมันแยกจะไม่ได้สินสมาธิปัญญาสมถัมคือสมาธิถ้าไม่มีสมาธิวิปัสนาญาณมันมียังไงปัญญามียังไงอ๋อต้องมีสมาธิเสียก่อนธรรมะคือสมาธินั่นเองมัโต้องทำพร้อมกันสงสัยท่านคงไม่รู้ว่าสมถมะสมาธิตัวนี้ไม่ไม่รู้ไอหมอนั่นไม่รู้แน่ครับครับก็คงเป็นอารหานรุ่นใหม่นะรุ่นน้องเด นะรุเทวทัตรุ่นโอ้โโอโ <laughs> ยุคนี้จะวารรุ่นเก่าเลยนะ <laughs> ภลายทางเดียวกัน <laughs> ลาเท้านมัสตรกรลงพ่อที่เคารพอย่างสูงยิ่งลูกได้นั่งพระกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นซอยสายรงหรือว่าที่บ้านก็ตามพอจิตของลูกเข้าสู่พวังลูกจะเห็นมีมือมือหนึ่งเป็นผู้ชายลักษณะใหญ่โตมาก